เราปฏิบัติไปจเจริญสติไปมีสติเป็นตัวยั่งยืนเป็นฐานไว้มันอาจจะได้คำตอบโดยต้องไม่ถามครูวาอาจารย์ก็ได้มีเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัติเกิดกับตัวเองไม่รู้จะถามใครหลวงพ่อเถียนก็ไม่อยู่บางครั้งเราอยู่คนเดียวบางครั้งเราอยู่กับโม่ ก็เอาความเพียนบุกเบิกไปก่อนมี่สติไปก่อนมันมีอะไรเกิดขึ้นกับรู้ไว้ก่อนเอาตัวรู้เฉลยไว้ก่อนบางทีก็ทำไปวันสองวัมันก็ได้คำตอบออกมาไม่ต้องถามครูาอาจารย์เลยประสบกา ร, รณ์บดเรียนจากตัวเองมันดีกว่าที่จะเกิดจากคู้อื่นถามคนอื่น ถ้าถามคนอื่นแตจะไม่ลงตัวเท่ากับเราพบเห็นเข้ากับตัวเองปัญหาต่างๆมันก็มีตามอารมณ์กรรมฐานเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเ ป, ป็นปิติเป็นนิมิตเป็นปรสัสจทิอะไรต่างๆมากมายบางคนก็เป็นนิมิตบางคนก็ไม่เป็นนิมิตบางทีเราได้ยินคนพูดอาการนิมิตเกิดขึ้นแจ่ตัวของเขาเองเราก็ไม่เป็นกับเขา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 เพราะเราเคยปราบตัวหลงหลงแล้วมันก็อ่อนลงเป็นการปฏิบัติปฏิวัติทันทีเลยสงบลงก็ผ่านไปผ่านไปก็ง่ายเคยนง่ายเกินง่ายที่จะรู้แต่ก่อนมันง่ายที่จะหลงเพราะอะไรเพราะไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็ความรู้มีแต่รู้เฉยๆมันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้ไม่เคยรู้จริงยิงตรงที่มันหลงเหมือนกับเราละโยงมันเจ็บ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 เหมือนกับไม่ได้เหยียบเด่นเลยเบาไปเป็นผู้โบลโอ้ล้องก็ไปทุกขจนกับเรื่นั้นนะก็มารู้สึกตัวมารู้สึกตัวอยากไปเป็นผู้โบลจึงเห็นมันรู้สึกตัวคืนนั้งลายตัวเองก็อิ่มไม่ต้องกินข้าวโอถ้าเรามากินข้าวอะไรจะเกิดเพื่อนเราก็มีเอา้าเพื่อนเราจะถามว่าเอ๊ะไม่เห็นวายฉันข้าวนะสองวันก็ไม่เห็นสามวันไม่เห็น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 มีตัวลูกตัวเดียวไปเลยเราจะงสบายมากให้มันผ่านได้สามารถผลได้ผ่านเนือการเกิดเจริญตายมต้องเรียบตรงเนี่ยตั้งแต่ต้นนี่ไปคือรู้ไปรู้ไปลู้แล้วไม่เป็นไม่คห้ค่าอะไรมันลูกก็ไม่คุณค่าวความรู้มันไม่ลูกก็ไม่คนขค่าวความรู้มันสุขก็ไม่คุณค่าวความสุขหลวงพ่อจะพูดมันอยู่เรื่องเดิมเลย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 เขจะอยู่เย็นเป็นจุกทุกท่วนน้าทุกคนนาะ